คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่หรออ๋อว่าคืนสุดท้ายแล้ว่าคืนสุดท้ายอ่โอ้จะรีบไปไหนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้สลามวางบางเถอะอืม วันนี้เป็นวันอะไรวันี้วันอะไรนะวันประหลัดบางคันไม่เป็นไรมันไม่มีถูกไม่มีผิดคือถ้าเราถูกเอาผิดเนี่ยมันมันยุ่งละถ้าบอกไม่มีถูกไม่มีผิดคือตอบไปง่ก็ได้ พอรังคาลก็ถูกของเขาแนตะอาจจะไม่ถูกคนีคนถามอยากจะรู้เท่านั้นเองอต่ที่ผไม่มีผิดไม่มีถูกวันพรุ่งน้ามัวเจ้ารอหมายถึงอะไรนะวันก่อนเป็นวันอะไรปัตานวันอะไร เป็นวันหลังเฮ้ยวันหลังต้องวันหลังต้องเตรียมไม้แสบไว้น้อยน้อยเตรียมแล้วกต้องไใบต้องบอกใบแสบลงกลนะ่นเออบอกสักใส่หน้าแข้ง้อยก็ไม่สักกลัวก็เห็นจะสักใส่แผ่นหลังก็ได้ วันโารนาคือวันที่จะพูดง่าคือว่ากล่าวตักเตือนกันได้แตอเออทำไมไม่ลงให้กันตักเตือนเลยจะตักเตือนกันยังเมื่อเช้าตอนลงภารนานับได้2ี่สิบเอ็ดมาจากที่อื่นอีกสองลงไม่ได้อีกหนึ่ง จริงๆของเราเขามียี่สิบแนเกาแต่ว่าไม่สบายหายไปเลยคือลงตาพระครูไม่สบายหลายปีแล้วจนลืมหมดแล้วเราก็ลืมกันหมดแล้วปรนนาเนี่ยเป็นเขาเรียกวเป็นว่ากาวตักเปรื่อนกันได้แต่ก็ยังเดินเหินไปมาเจ๊ยอยู่ ไม่รู้ว่าเข้าใจว่ายัางไงในทางปริญญาปฏิบัติปฏิเวรคืออะไรที่เขาบอกมันเะป็นไงเนี่ยไม่ว่าจะฝไหนก็ตามไฟโลกไฟธรรมไฟโลกนี่ก็คือพวกเราอยู่ทางโลก ไปทําำก็คนที่เคยปฏิบัติธรรมคือไม่เอาธรรมก็แปลว่าอยู่แบบโลกก็เหมือนกั น, น, นแต่เนี่ถ้าอยู่แบบโลกมันก็จะไม่เห็นความเสือ่อมที่ไม่เห็นความเสื่อมก็ ว, ว่าเราจะเอาแต่ความเจริญคิดว่าจะเจริญเหมือนร่างกายของเรา เราไปใช้คําว่าเจริญเติบโตเราก็ใช้จำํำทาไมตรงนี้ว่าการที่เรามีอายุมากขึ้นเติบโตแข็งแรงมันไม่ได้เจริญนะมันเสื่อมในทางธรรมก็เลยเสื่อมเร่มองเนี่ยเรามองแบบโลกเรามองแบบธรรมเรายังเรื่องมองเปนอริยสัจสี สำคัญเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจใสามเรื่องคือหนึ่งปฏิยัตข้อสอปฏิบัติข้อสามปฏิเวทเนี่ยพิเศที่เราจะต้องสามหัวข้อเนี่ยมันจะต้องมาก่อนปริยัญญาคือสัญญาสัญญาความจำหดไ้ไหมยรู้ เราจึงเรียกว่าปริยัติว่าเป็นความจําทีนี้ถ้าความจําเราไม่หนึ่งที่มันไม่มีเพราะอะไรเข้าไปศึกษาในเรียนมันก็ไม่รู้เมื่อไม่เรียนมันก็ไม่มีความจํามันไม่อยู่ในหน่วยความจํา็เรียกว่าประวัติเนื้อไม่มีหน่วยความจำํำเราจะปฏิบัติยังไงทีนี้ โดยที่สองคือเรียกวปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าความจริงถ้าเราอยู่กับปริยัติอยู่กับความจําความทรงจําจําได้หมายรู้จะอยู่กับการปฏิบัติ อ, อยู่กับความจริงแต่ว่าน้อยคนที่อยู่ความจริงแล้วหนักไปกว่านั้นคือยอมรับความจริงไม่ได้ ก็คือปฏิเสธความจริงนั่นเองต่างๆที่หลังจากวิญาตปฏิบัติแล้วปฏิเวทก็คือความจริงเพราะนั้นเรียกง่ายๆสั้นๆมาปฏิบัติก็คือความจริงบริษัมปฏิเวทในความแจ้งโกมันแจงกระจ่างคือปัญญาทีนี้ กลยัทความจำก็ไม่มีคือไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เล ย, เลยแล้วความจริงคือเราไม่ได้เรียนรู้ความจริงความเป็นไปแต่ความแจ้งก็จะมาจากนั้นยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันของพวกเราผู้จะสอ น, น, นเรื่องอริยสัตว์สี ในแต่ละวันเราเข้าใจอายะศรีอะไรบ้างมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุส่งต่อต่อกันไปทุกนย่างเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลของนิโรธนิโรธก็จะเป็นเหตุเหตุก็มันก็เป็นผลมันก็ส่งผลต่ อ, อก่อไปเหตุผลเหตุผลเหตุผนต่ อ, อกันไป ชนิดทำอย่างไรที่จะรู้ความจริงหรืออริยสัจสีคือสัจจะนี่แหละว่าอริยสัจกับความจริงที่มีอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติเลยที่เป็นหลักของความจริงขอให้เราเรียนรู้ความจริงจนจบทุ่นกระบวนการว่ามันเป็นอริยสัจมัเป็นความจริงได้ยอย่างไรอายกตัวอย่างง่าย เมื่อกีก่อนหลวงพ่อจะลงรถเป็นสามสีสาวสามเป็นสาวเป็นรถน้ําหนักบอกามว่าไปไหนเป็นรถน้ําหนักหรือเปล่าทีนี้ถ้าจะเอาตอนี้สมมติว่าเราเอาจะนี้เอาคําของหลวงพ่อนะเมื่อกี้ผ่านมาหลวงพ่อว่าเออเป็นรถน้ําหนักไฮไลท์หรือโฟกัสของเราสมมติไปจับที่น้ําหนัก สมมติน้ําหนักก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันจึงเป็นที่มาของอ้วนความผอมเ่าสมมติว่าเราไปจับจับที่น้ําหนักเราจะมองตรงนี้เป็นอริยาสาัจยัยงไงน้ําหนักเนี่ยมันเป็นเหตุหรือเป็นผลคำตอบก็คือผล น้ำหนักทําให้เกิดอะไรเกิดทุกข์นั่นท่นถึงไปปล่อยเมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนักก็ตามเบาก็ตามอันค้อแรกท่านพูดคำว่าคำ น, น้ําหนักเนี่ยโอม้มันมีความหมายถ้าคนได้สติได้ปัญญาเกิดจรินี่ยนะโอ้มันเป็นธรรมะนะทุกอย่างท่านอย่างไรเราจะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะ เอาเป็นว่าน้ำหนักก็เป็นตปมาคำว่าทุกโซนน้ำหนักมันเย อ, ะ เ, อ, ยอยเะเป็นร้อยร้อยกว่าทนะั่วไปก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นร้อยร้อยกว่าน่ะหนักละน้ําหนักละถาว่าน้ําหนักเนี่ยมันเป็นมันเป็นผล ม, มันมันเ่็นเหตุและเหตุมันคืออะไรผลมันคือทุกตัวผลนันนะ่นคือทุกนะนี่คือญาติศรีเขาเรียกทุก ถ ต, ตัวเหตุมันคืออะไรจะให้เกิดน้ำหนักคืออะไรอย่างแล้วก็ไม่รู้คิดไม่ได้สิเป็นเพราะอะไรน้ำหนักมันถึงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคิดว่าเพราะอะไรคิดว่าพระเจ้าสร้างหรือไงทเทวาเทวดาแกล้งหรือไง น้ำหนักเยอะที่เป็นทุกข์หนักทุกเบาเกิดจากกอไก่นี่แหละก็จะกินแต่นี้กินเนี่ยเออรู้แล้วว่าเออน้ำหนักนสมมติฐานสมมติฐานของน้ำมาจากกินนะอันนี้คือสมุติฐาคือเหตุแล้วเรียกว่าหาเหตุสมอะไรคือความอยาก ถ้าไม่อยากของคงไม่คินพอจะเรียกว่าตัญหาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ว่คือความอยากนั่นหละความอยากเกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อบำบัดเวทนาเป็นกระบวนการของมันโอเคข่าวใคนะ่นี้แสดงว่าน้าหนักมั น, ม, นมันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นวันนะั้นก็เพราะการกินสมมติว่าการกินเป็นได้เป็ น, ปนกินข้าวกินน้า ผู้ชนะอาหารคืเ อ, อเรารู้แล้วว่าหนักเกินอันนี้คือสมุทยัยดิโรดทำไงมันถึงจะแก้ไขคือดับไปหายไปคําว่าดิโรดโอเกิ ด, าดจากินกเกินเยอะไปไหมก็ปริมาณที่มันผ ส, สมก็ให้มันครบโปรตีนก็ให้มันได้คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลผัก วิตามินให้มันครบแล้วถ้าตัดความบริอร่อยออกอะไรก็ได้ที่มันอาหานมันครบแต่เราไปติดที่อร่อยนี่แหละมันอร่อยไม่อร่อยไม่เจริอ ย, จยอาหารสรุปก็คือมาจากตรง น, นี้แหละพนนักกินเสร็จแล้วทําไงมันที่จะดับไปก็กูกินให้น้อยลงกินให้พอดี ไม่พอเองบงทเนีะจะแบบว่าพวกแปง้งพวกข้าวพวน้ำตาลนะพยายามให้มันน้อยเพราะมันไม่จําเป็นสิทธมากแต่ว่าไม่กินเลยก็ไม่ได้พอ้แป้งมันคือน้ำตาลเพราะน้ํา้ำตาลนอกจากแป้งแล้วยังอื่นๆเยอะแยะมาจากผลไม้มาจากอื่นๆมีพืดเชิงเดี่ยวเยอะแยะเลยอย่าแปรสภาพมาเป็นน้ําตาลเช่นฝรั่งเขากิกนมันฝรั่งมันอารูน มันก็อันเดียวกันเขาไม่ได้กินข้าวอย่างเรามันก็อันเดียวกันแต่เดี๋ยวกินเยอะก็เป็นเทมารู้แล้วว่าโอ้ที่น้ําหนักเกิดผลไปเนยเหตุเหตุดางมันก็คือความอยากนี่หละมันเป็นทมาของการกินกินกินกุศุลไทยมักเฮอริโรวทำไงถึงจะดับอะไรนี่กินให้มันน้อยกินให้พอดี คำว่าพอดีนักถึงคาว่าพอดีคืออะไรทุกอย่างดูในตัวเราหมดอย่าเพิ่งไปมองข้างนอกให้มองตัวเรามันเป็นธรรมะบ้างในแต่ละวันมันถึงจะได้ประโยชน์พอดีพอแล้วก็ต้องดีด้วยนะพอดีเรามานั่งถึงเสือ้อผ้าอาพรถ้ามันหลวมไปไ ม, มันใส่ได้ไหมถ้ามันคับไปเนะี่ย มันใส่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ใส่ได้แต่มันจะลําบากมันจะทุกข์ที่มันแสดงกับพรองค์พอดีพอเหมาะพอดีถ้าให้ดับก็คือถ้ามาให้มันมากรู้ว่าเออมันมันต้องกิน่ะก็กินให้มันน้อยจนมันพอดีมันก็จะดับก็คือดีรู้ทีนี้วิธีการ ถ้าอย่างนี้ก็แล้วยังไม่ไปไหนมาไหนไปอย่งอ้วนหนีคือมันอยู่จะต้องทอํายังไงวิธีการหนทางจะเรียกว่ามัดแปลวิถีแปลวหนทางแปล ว, วิธีการผู้าเนอ้วนมากก็หนึ่งออกกำลังกาย เย่ที่เราเดินยืนเดินเดไปมาเดินอยู่กม้มนั่งอะไรนัง่งยืนเดินนั่งอันนั้นคือคำว่ามักคือวิธีการโดยเฉพาะยคือการ ค, คุมใจคุมจิตของตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดข้อหนึ่งสองสามเป็นการ ค, คุมกา ก, กับดูแลแต่ถ้าเพียงแค่การกินไงมันก็เป็นอริยสัจสี่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นอริยะสัจสี่เพราะอะไรเพราะปาริยัตเราไม่มีความรู้ไม่มีความจําปริยัตยังเรียกว่าจํามันรู้จะไปจําอะไรมาความจําในเรื่องเหล่านี้มันไม่มีถ้าพูดง่ายๆคือสัญญาในเรื่องนี้มันไม่มีความจำมนั้นมีตอนนั้นความจริงเราก็แก้ไม่ได้มันก็อ้วนอยู่อย่างนั้น น่าคือความจริงพอเราไ่แก้มันก็อวนนี้คือมันเนรง ท, ทางนี้มันบอกวันหนึ่งมันต้อง อ, ออกออกตัวทุกตัวแรกมันต้อง อ, ออกแล้วจะเป็นหนักก็ตามเบาก็ตามนี่อยู่ในร่างกายเราทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดและนั่นคือปฏิบัติปฏิบัตินั่งคือความจริงแต่ถ้าเราไม่เอาความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็จะได้แต่ปริยัตตคือกินกินสาาพกินเลยร่อยอร่อย ย่งดมันเปรี้ยวหวานมันเค็มมีอะไรก็เอาเข้าปากหมอดจนเข้าไม่ไหวนะถึงพอไอ้คำว่าพอคือมันไม่ไหวยาไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่อาหารข้าวปาอาหารผักผลไม้น้ำตามเข้าไปเอามาครบดินน้ำไฟลมเป็นยังแกภายในก อ, อพอมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้ไม่ตาย อาหารแ่นี้มันเพียงพอถ้า ก, กัดอย่างอัตภาพแห่งเป็นไปเป็นอาหารของกายอถ้าเราคิดอย่างนี้นะเออนี่คือปฏิบัติแม้ดูความคิดเคชื่อว่าปฏิบัติมีปฏิเสธผลของการรู้จักความจับความจริงความแจ้งโอ้มันได้ผลอย่างนี้กินน้อยไม่ต้องกินเยอะมากน้าหนักมันก็จะลงโดยธรรมชาติโดยปั่นยานั่เป็นธรรมะในภาคปฏิบัติ มันไม่มีใดตำราไม่มีใครมาบอกมาสอนมากล่าวมาชี้มาแจ้งแสดงทําให้ดูเถ้าเราทําได้อย่างนี้ด้วยตนเองทำได้ด้วยตนเองต้องย้ําว่าด้วยตนเอ ง, เอ ง, เองมันจะเข้าใจเต่อไปโอ้ถ้าไม่อยากอ้วนก็จะไปกินเยอ ะ, อะเอาแค่ขางอ้วนเป็นหลักนะจะบเป็นหลักตอนนี้ถ้าโรคภัยแค่เจ็บคนอื่นเพราะสามารถที่จะเป็นหลักได้ที่มันเป็นโรคนภัยแค่เจ็บเนี่ย พอโรคเป็นที่ตั้งส่วนหนึ่งหรือมากก็ครึ่งหนึ่งเกิดจากการกินนี่แหละทั้งจะมาขอเป็นโรคไขมันเแบบาหวานสความดันอื่นๆก็เพราะไม่ก็เพาะทั้งหลายเลยมันเกิดจากการกินถต่มันถ้าเราสามารถควบคุมการกินได้เนี่ยผู้เจักน้ำเบาโภชน์เนยมาตมิตอ่รู้จักประมาณในการกิน ในในการสำรวมในในข้อแรกที่บุญ้าสอนให้พวกเราต้องแตงหัวเจโด้เท้าก็คือสำรวมตาตรองหูสำรวมปากมันไม่ใช่มันไม่ให้พูดอย่างเดียวนะบนปากรวมด้วยการกินการบริโภคด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สำรวมเราจะไม่รู้อะไรอะไรก็เข้าปากไปหมดแล้วผลเป็นยังไงไม่รู้จะรู้ก็ต่อเมื่อมันลำบากนั่นแหละมันเป็นหนักเป็นเบาถึงจะรู้ ก็ไม่มีการเรียนรู้เนี่ยผลเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นโรคเนึ่ยเพราะว่าเพก็เกิดจากการกินนั่งระหว่างมันกินนิดหนึ่งก็คือเหตุนั่นแหละเพราะนั้นแป้งน้ําตาลที่มีอยู่ไขมันที่มีอยู่มันก็จะลดน้อยลยองในร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงเพราะในร่างกายมันมีของพวกนี้อยู่แล้วเมื่อของพวกนี้มันขาดมันไม่พอ ร่างกายมันจะดึงออกมาใช้โดยอัตโนมัติคือธรรมชาติระบบมันเป็นอัตโนมัติ น, ออ น, นั่นคือเครองที่สองคือสมุทัยนีโรดความดับโรคนั้นก็ค่อยจางหายไปน้อยไปได้ที่สุดพวกนั้นถ้าเอาไปใช้ชิตประจำวันดูได้ของควกนี้ฝึกได้แต่เราไม่ฝึก ของคุณกระนั้นตะแกรหัดมือโอทั้งหมดต้องบวงเนะี่ยเพราะมันไม่ปกติคือตัวเราไม่ทําตัวให้มันปกติเพาะปกติอยมันก็คือสิ่ น, นั่นแหละมันถึงได้ปกติสมาธิคือจิตใจเราไม่มั่นคงที่วันไหวไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันกระทบมันปะสะัสสาวเราไปติดไปคล้องอยู่ในความอริดอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็ม เขาไม่คิดว่าศักดิ์ว่าอาหารเพื่อบําบัดเวทนองอาหารกินเข้าไปเพื่อบําบัดเบธนานองคือบรรเทาให้เบทนามเบาบางน้อยลงคือมให้มันทุกข์มากนั่นแหละแต่จะไม่ให้มันทุกข์เลยไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปชิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้พอถึงเวลามันก็เป็นเป็นนากเป็นน้อยก็เรื่องของมันเราแก้ไขันเองเหมือนตอนนี้กลางวันกลางคืน ไม่อยากให้เป็นกลังคินไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาเพียงแต่ว่าพอมาถือกลางคืนเราก็หาทางให้เกิดแสงสว่างไองน่พอมันร้อนมันขาดลมลมไม่พอก็เอาลมมาใส่ก็พัดลมเออเราทำได้ข้างนอกมันกันเข้ามามี่อะไรเข้ามาที่เข้ามาข้างในเราก็กันได้เนี่ยร่างกายเราก็เหมือนกันเราก็เคยปกป้องร่างกายเราเลย เราไปปล่อยปะละเลยไม่สนใจดูเลย อ, อยิเปตมาคนั้งการปฏิบัตธิธรรมนี่ถือเป็นเรื่องยัดเยียมมากไม่เกี่ยอะไรคนอื่นเลยคนอื่นมันจะอ่วนจะพร้อมอยางดีมีเจานาหนที่ของเขาจะไปแบกน้ำหนักเราก็เยอะอยู่แล้วไปแบกน้ำหนักคนอื่นเขาไปอีึบนบาลน้ำหนักแปดสบเก้าสิบคนอื่นเขาน้ำหนักมากควมแบกคนบาเขาไปอีก แบกมาดเกี่ยวกี่คนแบกบมาดูเกี่ยวเรื่องแบกบแล้วไม่วางด้วยนะก็วางไม่เป็นเราทำที่ไม่ใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับตัวเราเองเลยพูดง่ายๆครับไม่ใช่เรื่องของตัวเราแต่ก็หาเรื่องออกมาใส่ออกมาคิดต่างๆ ท, ท, ที่เรื่องตัวเองก็มีเยอะแยะมากมายที่ต้องจัดการที่ต้องการจัดให้มีให้เป็นมันน้อยลงมันทุกที่มีอยู่ทุกคนไม่มีใครไม่เป็นทุกข์ยอมรับความจริง แต่ทําอะไรตั้งจะอยู่กับทุกข์ได้ทําอะไรตั้งแค่ทุกข์มันน้อยลงมันปลอดภายเหมือนตอนนี้ปลดอดภัยลมปะปะใถ้าความร้อนมันมันคลายมันร้อนน้อยลงจะมันไม่ให้มีเลยเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นของอยู่ประจํำโลกนี้มันก็คือดินน้ําไฟลมนั่นแหละจะไม่ให้มีดินเลยไม่มีน้ําเลยไม่มีลมเลยเป็นไปไม่ได้เขาอยู่ของเขาอย่างนี้แป็นเร่องปกติก็เรื่องธรรมดา เพียอนทักเราอยากแก้ไขปัญหาอะไรในชีวิตของพวกเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจําวันกลางพเราเราพ่อก็จะใช้วิธีีอย่างนี้อะไรที่มันชัดที่มันกระทบที่มันภาษาแล้วมันไม่อารมณ์มันชัดอา ร, ณ, าอารณ์ที่เป็นปัจจุบัอารมณที่เป็นปัจจุบันนะจะไปเอาอารมณ์ที่มันอดีตเพราะ ม, มันไม่มันประกอบไปเกิดประโยชน์อะไร หรือไปตกกังวลในอนาคตมันก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเอาอรมณ์ที่เปนปัจจุบันให้มันกระทบที่มันปัสสะจากที่เราสัมผัสก็ดีคือปัสสาะแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาคือเวทนาโดยทนายจริแปลว่าสวยมันเป็นกลางถ้าวสกกวัยสุขเรยกว่สุขเวทนาแต่เวททุ ก, กเรียกวาทุกขเวทนาก็คือทําไม่สนใจสุขทุกวางคือเพ่งกลางเฉยๆเรียกอุเบกขาเวทนา มันก็มีแค่ น, นี้กับภาพขอจิตทีนี้สติมันระลึกนึกขึ้นมาได้อย่างนี้เรียว่าเราคนมีสติละทีนี้สติอันเนี้ยมันทําให้เราสบายมันกระทบมันปัสสาะทำให้เราสบายเอาพยาธินะข้างนอกข้างในมันประสานกันมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาไอ้ตัวนั้นหละเราจะอยู่กับความรู้สึกโรนั้นอย่างไร พอสติเราน้อยมันไม่พอมันก็ต่างไปตามสัญญาอารมณ์หมายก็ว่าอารมณ์ชอบมันก็ชอบไปเลยรมณ์ไม่ชอบก็คือไม่ชอบไปเลยแต่ชอบอะไรที่ตามมาด้วยจะแล้วก็จะเรียกชื่อไปตามนั้นเช่นวิทย์ติดข้องอยู่ในการมกรมอคุณก็คือรูปเสียงจิ่และผลิตภัณฑ์ทาาอารมณ์มันก็จะข้องอยู่ในจินแล้วนะมันผลพอได้ตา ม, มาเมื่อ คองเสร็จแล้วสิ่งต่างๆมาคือราคาคือตัวแรกเลยสองตัวสัตวถ้าไม่ชอบคือคุณคือโัวสัตนั้นไม่ได้บอกว่าโวตัโศคื อ, อยังมันจะทุศรัยจิตใจตัวเองตามคือความโกรธโกทธคือไม่พอใจอ่ะคนุณสุดท้ายคือถ้าเห็นแล้วบางอย่างมันก็มันเฉยๆเหมือนเห็นสุกเห็นทุกคนอื่นแเนอะแต่ไม่เกจอพวกเรา เห็นญาตินขาตายก็เฉยๆเหมือนไม่อะไรแต่บางคนใครตัวเอาเดือนดอนเนี่ยจริงๆมันเรื่องเดียวกัน่ะตายกับตายเดียวกันมันไม่มีตายเป็นปกติใดๆกดจุ๊บตายกดจะตายแบบไหนก็มันมันไม่ได้เกี่ยวกันหนังตายนอนตายยืนตายเป็นโรคตายเป็นโรคสารพัดโรคตายมันก็คือตาย สุดท้ายก็ก็ยังดีอะค่ะานวงถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความตายเนะี่ยสุดท้ายก็เกิดภัยคือกลัวไปกลัวตายขึ้นมาเนี่ยเพราะสติมันเร่เกิดถ้าถามว่าความตายน่ยมันเป็นเหตุหรือเป็นผลก็กลับมาอธิษฐาสี่ตรงนี้ความตายถ้ามันเป็นผลนาะแล้วเราไปกลัวตายคือกลัวผลของมันเช่นอนะกลัวเมื่อกี้เราพูดถึงน้ําหนักเราทุกเราไปกลัวน้ําหนัก เออน้ําหนักมันก็เกิดแล้ว ก, กลัวกลัวอ้วนกลัวน้าหนัก น, นั่นผนหะนัความตายก็เช่นเดียวกันมันเป็นผลแล้เหตุขึ้นมนคืออะไรเหตุขึ้นมนคือเกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ตายออเรากลัวผิดที่เรากลัวผิดที่ไปให้กลัวการเกิดเอาไว้ก่อนถ้ามันไม่เกิดกระบวนการอื่นของคงไม่ตาง ม, มาั่งเป็นครูอันนี้เกิดเจ็บจ็บตาย สราระพยาธิจนมรณะก็ะตายนั่นคือผมนะผลของ ม, มันเหตุตัวนี้แหละถ้าจะแก้แค่ต้องเหตุก็คื อ, อเกิดทำยังไงถึงไปเกิดมันน้อยลงอ่ะถึงพบชาติแล้มันน้อยลงพคือกรรมพบพูปรูป พ, พ, พทําไงที่ไปท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตอันนี้สร้างสารนตาราวะพระวาพาเวทท่องเที่ยวอยู่ในโลกน้อยโลกใหญ่ ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาบอกท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยภพใหญ่แปเป็นภาษาเราง่ายๆภาษาชาบานเขาบอกว่าพ่อว่อแพรแพรมาอือแล้วเข้าใจหรือเปล่าทั้งเลื อ, อจจะไม่เข้าใจถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเข้าใจชัดเลยเออไม่แล้วพ่อว่อแพรแพรมาอือสร้างแฟนตาผวาผวาตอนไหมที่มันก็มาอีก ลกลายเป็นนักจั่งเพียวตัวยงเปันอันนี้คือต้นเหตุของมันปลายเหตุมันถางตายทำยังไงสิ่งเหล่านี้หรือเกิดเกิดอะไรให้มันน้อยลงภพชาติทั้งนั้นลงผู้ชียวเขบอกกันแล้วชดัดเจนขอนคลองเหล่านี้ก็คือสิ่งสิ่งที่เราทำบางอย่างเป็นห้าสิบแปดสิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบรรดามเป็นพื้นฐานถ้าจะสลัดออกจากภพจากชาติอันนี้ได้ ตัวแรกก็คือตัวสินไอ้แม่ก็คือสินสมาธิปัญญาเป็นตัวแกเราอริยสัจ ส, สี่ก็คือตัวเดียวกันเพราะนั้นศินเราไม่มั่นคงมาก็ว่าทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเราต้องไปกรรมมมังวลถ้าไปกังวลหมาก็ว่าในขณะใดที่ตามเราปฏิบัติควบคุมกายได้ไหวจ่าได้เหมือนตอนนี้ถ้ามาอาจจะไม่ได้มาขอสินสมาทานสินมันเป็นสินตันทีโดยอัตโน ม, มัติไม่ต้องไปกรรมมังวลตอนนี้ ชามาเออมาได้มาวัดไม่ได้รับสินมันเป็นสินทันทีตอนนี้เพราะว่าสินคือการควบคุมกายกับวาจางแต่มันไม่ได้ถึงใจนะสินจะเป็นเลยถึงสินกับการควบคุมกายกวาจาใจไม่ใช่ศินมันเคยควบคุมแค่กายกับวาจางทเนี้เราทำไม่ได้เลยควบคุมกายตัวเองวาจาตัวเองไม่ใช่ว่าต้อวัดนะคือวัดกาย วัดวาชาวัดใจเนี่ยคือการเข้าวัดให้จําเอาไว้ว่าเข้าวัดวัดอย่างนี้จะไปวัดนั้นวัดสารวัตรวัดร้อยเคราะวัดดับไพรวัดสารวัตรโอ้มาสันได้ทำแต่มันเงียบจังเลยมันสันติมันจะไม่เงียบได้ยังไงเพราะมันสันติธรรมมันเงียบมันไม่มีอะไรม้วนอืนี่คือสันติเพราลังทั้นงกายเราสันติ อรยาเราสันติอุปธิรู้ควาสงบทางกายกับทางใจอุปธิคือกิเลสกิเลสทางกายเต่เแี่ยมันสงบมังงับดับเนี่ยนกระเพาะหมายต้องการถ้าเป็นอย่างนี้เวลากินสิ้นสมาธิมันคงไม่วันไหวแต่ก็ต้องมีหลักกันปริยัติปฏิบัติก็คือคือหมายก็ว่าต้องมีความความจำก็คือปริยัติปฏิบัติ ก็คือความจริงให้อยู่กับความจริงให้ได้งั้นก็ไม่เชื่อว่าการปฏิบัตินะก็เชื่อว่าเราไม่ยอมรับความจริงคนนั้นก็คือไม่ใช่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องยอมรับความจริงได้ว่าอันนี้มันคือความจริงนะในมันเกิดมันแก่มันเจ็บ ม, จมันตายมันจเจริญมันเสื่อมเราก็ให้เห็ น, หนสองอย่างคือมันจเจริญก็ให้รู้จักมันเสื่อมก็ให้รู้จัก โดยเฉพาะอย่งยิก็คือผู้เจ้าอังกัตว่าใครี่ตามที่เห็นความเจริญและความเสื่อมของรางา่างกายแท้จริการหพทของตัวเอง น, ะนี่ใการปฏิบัติการเห็นความเสื่อมไม่ได้เห็นความเจริญทายเดียวเพราะมันตรงกันข้ามพระวัติแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่มันปรากฏจริงๆคือความเสื่อมมันไม่ใช่ความเจริญคือมันหมดไปหายไปเรียวแรงแข็งขาไม่ได้เจริญคือไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้แข็งแรงขึ้นนะ ถ้าจิตใจเราจําของอย่งนี้คือปริญาณนั่นแหละเราจํามาของอ้วมมันไม่ได้เจริลยนะมันเสื่อมความจริงคือมาส่วนนั่นคือเขาปฏิบตัติเราก็อยู่กับความจริงโครคภัยไข้เจ็บก็เช่นเดียวกันมันไม่มีใครเลยไม่เป็นไม่มีใครเลยไม่มีโรคไม่มีจ่บอกวความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะเป็นข่าเปรียนเทื่องมาปรา่ามันจริงๆแล้วไม่มีใครไม่มีโรคมีทุกคน ก็จะมีมากมีน้อยหรือเป็นโรคอะไรเท่านั้นเอง น, นั้นทุกคนประสบภาพภพกันหมดคนไม่เป็โร ค, ค ม, ม, นโนขขมันไม่มีอายุอ้วนโนสตุขังฝรังมันไม่มีทาวเอออ ว, รวรอ ร, น, วรวนั้นเองเออนี่คือความจริงแล้วความจริงก็คือปฏิบัติถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่เข้าใจความจริงอันนี้เรียกอะรว่าสัจจะคือความจริงแล้วความแจ้งคือรู้แจ้งถ้าท้าวครอรู้แจ้งนะครับบอก รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่เขาวิปัสนาคือทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยรู้แจ้งเห็นจริงแล้วความจริงก็คือรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็วางบุคคิของเขาอย่างนั้นเราวิปัสนาตัว อ, อารมณ์เห็นอย่างนั้นก็แปลว่านี่คืออารมณ์การไตรักษณ์ความหมาตรลักก็์เรห็นตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ หนึ่งสองสามดังก็คื อ, คอการเกิดขึ้นของมันสองการดำรงอยู่การปรากฏอยู่การเป็นไปอยู่ของมันสามการดับเกินหายไปถ้าเราพิจารณาเราก็ไม่เห็นเช่นความคิดคิดอย่างงี้มาจากไหนต้นตอของคิดอย่างนี้าานน อ, อยู่ที่มันชอบไม่ชอบต้นตอนมันจะอะไรอะไรที่มันชอบอะไรที่มันไม่ชอบทางที่วัตถุเดียวกันเรื่องเดียวกัน แต่ทํำไมคิดไม่เหมือนกันแสดงออกไม่เหมือนกันแต่มีเป็นการเหมือนอาหารได่นพวกมุเสมอว่าเราจะไปโทษอาหารไม่ได้ไปไปโทษอาหารนะเออนี่มันอร่อยไม่อร่อยไม่ได้ถ้าคนปฏิบัติแล้วมันไม่มีอร่อยไม่มีอร่อยมันไม่เกี่ยวกันอย่าไปโทษมันโทษที่เราเนะคือใจเราถ้ารใจเราชอบมันก็บอกว่าอร่อยใจเราไม่ชอบก็บอกไม่อร่อยมันไม่เกี่ยวกับอาหารเด่น อาหารเป็นตัวแปรเป็นตัวกลาะถ้าเขาไม่รู้แม่เข้าใจก็เป็โทษอาหารหรือแม่ก็ไปเททิ้งเพราะแม่เข้าใจว่าจริงๆเรามันสําเร็จได้ด้วยการปรุงคือสูตรการปรุงการแต่งก็คือปริยัตินั่นเองรู้ง่ายคือมันสําเร็จได้ด้วยปริยัติคือสูตรสูตรอาหารเปรี้ยวหวานมันก็ใส่เท่านั้นตอนนี้ตามความชอบตามความเคยชินเป็นสูตร แล้ต้องลงมือปรุงก็คือปฏิบัตินั่นแหละถึ้งเรื่ อ, อความจริงลงมือปรุงปรุงอาหารตามสูตรนั่นแหละคือตาปริยัตินั่นแหละอัูตรอาหารลงมาปรุงเรียกวปฏิบัตินะเราผัดทอดแกงมันอะไรอลไรนี่นี่คือลงมือปฏิบัติปฏิเวทชิมตรงนี้เราจะได้รู้รสชาติของอาหารแบบมันเปรี้ยวมันหวานไหมครับจะรู้แต่ถ้ารู้จา ก, กสูตรอย่างเดียว แล้วก็ไม่ปรุงปรุงเสร็จแล้วก็ไม่ชิมคือไม่รู้จักรับของมันมันก็ไม่ครับมันต้องครบอย่าง น, นกระโดเอะเปรี้ยวหวานมันแข็งขยันนี่คือจักครับองค์ประกอบคือปยัดปฏิบัติปฏิเวทมีเข้าใจอ่ะเพราะการปฏิบัตินั้นมันเกี่ยวเรื่องเชื่อมโยงกันหมดความหลักใหญ่ใจความจริงเกิดตัวเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือตัวเราเอง เราตะหัวโจลด้วเท้าท้าโจลดยหัวมองอยังไงให้ได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงของเขานาะเราจะได้ไม่ข้องไม่แวะไม่ติดไม่ยึดไม่เหนีวยวในสิ่งนี้จนมากเกินไปมันติดได้แต่ให้มันน้อยลงให้มันคิดได้ไม่ใช่คิดไม่ได้เลยถ้าเราคิดอะไรไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นความยึดความถือความเกี่ยวความคล้องควาแวะมันเป็นโสกาอาดุลที่ต่างมา สวัสดิ์ปริเทวะโทมาัาสะตามมาเป็นพุ่นเลยเพราะก็ไม่เข้าใจงแต่รูปร่างการถ้าเสียก็นะลองดูใครที่ จ, จากเราไปสักคนที่เรารักเราเคารพเราก็ถึงคนใกล้ชิดอารมณ์นั้นก็จะรู้หละจะตามองแต่ถ้าเรารู้อย่างนั้นว่าอารมณ์นั้นจะมาพิจารณาก่ว่ากระบวนการเป็นอย่างนี้นะั้นรู้ตั้งแต่ต้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เราก็จะไม่ทุกมากไม่ทุกเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่กันด้วยกันมานานแต่ถ้ามทำไงได้ให้มันทุกน้อยลงแล้วทําได้ย้นเนื้อสิ่งนเราเป็นการดีเราก็จะพ้นจากสภาวะสย่งเหล่านี้ขอถ้าเราเข้าใจพ้นจากสภาวะสิ่งเหล่านี้เร า, เ า, า, รราเต้องเข้าใจความจริงว่าในรูปร่างกายสังขารที่เราเรียกว่ารูปเรียกว่าคนเรียกว่าสารต่างนี้องค์ประกอบของเขาคืออะไรคําว่ารูปมันคืออะไร เขาว่านางตัวอะไรแต่มันย่อยสลายแตกให้เป็นโรูปมันไปแข่แจวนามกายมันคือดินมันคือน้ํามันก็ไปกระโดงที่เราป้อนเข้าไปป้อนดินป้อนน้าป้อนไฟป้อนลมลงไปเเพื่อให้มันครบธาตุทั้งสี่ไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้มันเกิดธาตุสี่สุดท้ายเขาก็ไปของเขาแต่ตัวที่มันมันไปต่อคือมันไม่ใช่ดินน้ําไฟลมมันคือจิตมันคือนามาทํา เราเข้าใจระบบร่างกายสังขารของเราอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็โอปปายูโกรตน้องพ่อมาพกวมาพี่เจมส์ให้เกี่ยวข้องกับเราให้มากที่สุดทีมากได้ถ้าอารมณ์เกี่ยวข้องคนอื่นพวกเนี่ยตัดออกเลยบอไม่เกี่ยวอะไรกับเราบอกไม่เกีเ่กยวกันจิตมันจะได้เข้าใจเพราะจิตเราสั่งได้แต่เราไม่สั่งมันเองเราไม่สั่งมันเองมันทําหน้าที่ของมัน บอกกระทบปุ๊บมันทําหน้าที่ของมันนันทีชอบไม่ชอบเฉยๆหน้าที่องแต่เราเราไม่สั่งมันเราโอ้นไม่ใช่นี่มันได้ได้เมื่อเราบอกลูกบอกหลานวัดทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้ถึงจะได้ต้องบอกเขานะหรือต้องบอกจิตต้องสอนจิตว่าไงต้องอบรมนี่เราเล่นไม่อบรมเลยตามเลยปล่อยลูกหลานไปตามอัตยาสตามสภาพมันจะได้จิดด้วยดีได้อย่างนไนลูกหลาน ถ้าทำตามแต่ใจตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็จะไม่ได้อะไรเแล้วกรรันปฏิบัติธรรมือต้องการให้เราดึงสติออกมาหรือปูดุลอะไรอ่านบอกอย่าไปส่งจิตออกเนาะคืออนนี้เราเราให้อยู่กับกายให้อยู่กับบ้านอย่าให้มันออกไปเที่ยวนอกบ้านทาเที่ยวก็ดึงกลับมาด้วยคําบริกรรมเพื่อเป็นโขเพื่องปูเพิ่งมัด เอาไว้ไมหมฮะออกไปเดียวข้างนอกไปเครื่องล่อพูดง่ายเอาขนมล่อมันอยู่กับบ้านให้มันกินไปไหนละกินของอร่อย ไ, ไปไหนจิตคือมันสเสบวเสวยอารมณ์แบบนี้กันได้กินอาหารนั่นแหละเปมืาเ้าพูดภาษาของมันเกาลิงกะล า, หางหอมเป็นมือเชา้มามโนสัจเจกาด่างหารวิญญาณอาหารนั่นคืออาหารของมันเอ า, าแต่เราไม่ป้อนมันเลยอะเราไม่บอกมันเลย มันก็เปอยปากแล้วเลยมก็เที่ยวไปแล้วก็ธรรมชาติเป็นยังไอยู่แล้วมันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่แล้วพอนี้มีอะไรมากระทบรุนแรงแต่ยังวิ่งกลับมาหาตัวเองลองสังเกตยังไงเวลาตกใจนะมันจะงวิ่งมาหาตัวเองมือใจตึงตึงดังๆัะแล้วสติวิ่งมาหาตัวเองอยากให้เป็นอย่างนั้นสติวิ่งมาหาตัวเองเราจะรู้ตัวว่าก่อนหน้านั้นมันไม่รู้ตัวขอไปเพื่อ พอรู้ตัวเสร็จเนี่ยถ้าเราฝึกจาเนี้ยฝึกบ่อยๆฝึกจากการรู้ตัวจะโดยวิธีใดก็ตามรู้ตัวหลวงพ่อพูดเสมอฝึกแค่มันรู้ตัวจนกลายเป็นตัวรู้กลับกันเมื่อตัวรู้ขึ้นมาคือพุทโธจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้บวกรานมันจะกลับกันนะจะรู้ตัวจะกลับเป็นตัวรู้เมื่อตัวรู้เกิดขึ้นมา แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้แต่เราเรามีพุโทโธแล้วเรารู้จักพุโทโธแล้วพุโทโธจะรักษาใจจะไม่ให้ไปไหนมันจะอารมณมันจะสอนใจสอนจิตนั่นแหละให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีอะไรควนอะไรไม่โคนมันถึงจะได้ดีจิตมันจะมีความรู้คือมีวิชามีความรู้เขามาเหมือนเราเร่มเรียน่ะมันจะมีวิชามีความรู้ ก็เาวิชาความรู้ที่เรา ป, รปฏิบัติปฏิเวชอะไรมันก็อยู่ตรงนี้ความรู้ที่เราเรียน ม, มามันจําจิตมันเริ่มจากจาแต่สิ่งที่มันจําล้าคือความจริงเราเลก็พักปฏิบัติแล้วก็ผลผลแห่งความจำผลแห่งความจริงนั้นๆมันจะเกิดความแจ้งขึ้นมานั่นก็คือปัญญาเพราะนั้นสติปัญญาคือเบื้ต้นแล้วก็ทากลางแล้วก็สุดท้าย ตั้งมีสติปัญญากำกับอยู่เสมอส่วนตัวสมาธินั้นเป็นตัวพักเป็นตัวกอเกิดกำลังพลังวังชางทําให้จิตเราพักก็ได้พักก่อนเหมือนนอนหลับเนี่ยเมื่อร่างกายได้นอนหลับตืนขึ้นมามันก็สดชื่นนั่นคือคาว่าสมาธิส่วนปัญญาไม่เกี่ยวกันเท่าไหร้แต่ว่าสมาธิทําให้เป็นเหตให้เกิดปัญญา มันได้แปลว่านั่งสมาธิแล้วปัญญาจะปรากฏขึ้นมาทันทีแต่เบื้องต้นคือต้องเป็นสมาธิจิตก็เป็นอย่างน้อยก็อยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งก่อนมันเรียกว่าสมาธิจึงเกิดปัญญาคล้ายก็เกิดสติสมาธิปัญญาอันนี้สิ้นไม่ต้องพูดถึงนะทําไมถึงไม่ต้องอพูดถึงเพราะว่ากายเราไม่รู้จุตอนมันเป็นทําอะไรวหวจาก็ไม่ได้เป็นวัฏจ า, าัรนะครับไม่มีแกวขาไมนมีเพราะนั้นจึงไม่ยกสิ้นขึ้นมา เป็นบนต้นนะครับปฏิบัติอาวุ์ถึงสติสมาธิปัญญาเพราะสินมันเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วถึงไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปกังวลเรื่องสินเลยมันเป็นสินทันทีเพราะนั้นการที่เราปฏิบัติทำบอกไม่ได้เลยว่าไม่ใช่อย่างน้อยสินมันเป็นสินทันทีอันดสงสิลเขามีทันทีอันิสงเขาสินมาเกิดขึ้นทันทีสินห้าเนี่ยมันมีอันสองอันสมันเกิดทันที อย่างน้อย ก, ก็กลับมาอีกทีมันไม่ได้ต่ําไปกว่า น, นี้ไม่ได้เป็นสิ่สาราสัตว์เห็นหมัอันทงอันทรงของสินแต่ถ้าไม่มีสินเลยไม่ไ ม, ม่สินยังไม่พอไม่มีธรรม้าไปอีกสิลก็ไม่มีธรรมก็ไ ม, ม, ม่มีโอสภาวะจิตของบุงคคลนั้นจะเป็นอะไรคือภูมิชั้นของจิตมันเป็นคนไม่ได้แนละ้วมันจะเป็นอะไรที่นึ คือคิดแบบคนไม่ได้คิดแบบมีคุณธรรมการได้นี่เพราะสติปัญญาไม่นต้องอ้พวกตัวเมื่อไม่มีมันก็ใช้ของที่มีอยู่วัสดุอุปรกรณ์ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องผลิตอะไรขึ้นมาของที่มีอยู่มือเท้าข่าสระวัลฟันเขาที่มีอยู่นั่นแหละไปเครื่องต่อกรไปเครื่องป้องกันไปเครื่องต่อสู้มีแค่นั้นไม่มีอาวุธปืนนี่ระเบิดยางมนุษย์เนี่ยอะไรนะเขามีแค่นั้นนะ่ะ แปลว่าอะไรเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะใช้กําลังตัดสินเคืองธรรมชาติของเขาเแต่เนี่ถ้ามนุษย์เราที่เรียกว่าคนจะเรียกมนุษย์เวลามีปัญหาใช้กําลังตัดสินมันจะต่างอะไรกับพวกเขามัสติปัญญามันเกิดขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้มันต่างกันเราเป็นคนเป็นมนุษย์เวลามีปัญหาอย่าไปใช้กําลังตัดสิน เพราะนันไม่ใช่วิธีของคนวิธีของมนุษย์มันเป็นวิธีของสัตว์เดรัจฉานเออแต่คิดอย่างนี้ใจมันก็จะอ่อนลงโอตายแล้วเราก็เอาเอาวุธการทหารกันและที่ตัวียงเป็นคนเป็นมนุษย์มันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นคือข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันเรื่องอยู่เรื่องกินเหมือนกันเขาไม่ได้ดีอย่างเราเขาจะไปหาฟืนมาหาไปต้มผัดแกงทอดนี่ เหตืองพูดถึงเป็นเรื่องตายหิวขึ้นมาใครมีกําลังมากกว่าก็ใช้กําลังเอาแค่นั้นเองค่ะไม่ได้พูดถึงดิบไม่ได้พูดถึงสุขเขาเนืเ่องจากว่ากินทำยังไงถึงจะ บ, บําบัดเวทนาได้ก็ไม่รู้ว่าเวทนาคืออะไรรู้แต่ว่าหิวขึ้นมาต้องกินเป็นก็ตามตายก็ตามยังไงต้องกินอ่จิตมันหยาบขนาดนั้นนะเมื่อจิตมันหยาบขนาดนั้นมันจะเกิดหรืมันจะพัฒนาได้ยังไง พัฒนาคือมันจะเจริญน่ะมันจะเจริญได้อย่างไรสุดท้ายก็คือมันไม่เห็นทั้งความเสื่อมและความเจริญนั่นคือว่าหายันนะนั่นคือคำว่าหายันนะควเจริญก็ไม่เห็นความเสื่อมก็ไม่เห็นเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นคนเป็นมนุษย์เป็นผู้ป ฏ, ฏิบัติต้องเห็นสิ่งเหล่านี้จิตหรือว่าภูมิชั้นเขาเจ่น ต, ต้นคือสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ขนาะใ ด, ดที่จิตเราเป็นอย่างนี้ต้องรีบดึงกลับมาทันที อย่าให้มันต่ําไปคนี้อันตรายว่าขนาดใดก็ตามที่จิตอยู่ในภูมินี้แล้วเวทนามัแรงก้าจิตมันเด้งออกมันดีดออกจากรูปอันนี้แต่ว่าภูมิหรือว่าชั้นของจิตความรู้ความสามารถของจิตยังอยู่ในระดับนั้นคิดว่ามันจะไปไหนในขนาดนั้นอันตรายเนาะมันอันตรายไม่ธรรมดามันนี้เราฝึก ผลทุกวันก็เพื่อให้ต้องการวันหนึ่งถ้าเราจะไม่หมดยังไม่พน้นวันสุดท้ายก็มาถึงแน่นอนเวทนาเนี่ยมันกล้าเข็งแน่นอนจนอยู่ไม่ได้จิตมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องเด็ดออกเพราะเวทนาตีบพันจนอยู่ไม่ได้มันก็จะแดงออกแล้วทั้งหมดที่มีอยู่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเขาก็ここอยู่เข้าอย่างนี้แหละเวลาออกลมออกก่อนลมหมดแล้ว ตัวอย่าง น, นั่นไม่มีอะไรเล ย, เ ล, ยลมหายลมมก็หายลแล้วก็กใจเนี่ยแต่ใจมันไม่ได้หายไปไหนนะตอวลมตัวหายแต่แต่ใจมันมันไม่ได้หายไปไหนนะแล้วมันจะไปไหนทเนยตัวใจตัวจิตตัวเนี้ยมันจะไปไหนก็ไปตามชั้นตามภูมิไปก็คือคติคือที่ไปของของจิตเนี่ยก็ไหลไปตามภูมินั้นะ ถ้าภูมิเขาจะมันไม่มีอะไรเลยคิดอะไรไม่ได้เลยมันก็จะไปสิงอยู่ในร่างของสัตว์ติดที่เป็นคนเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นพระนี่แหละเมื่อออกจากร่างแล้วป็นึกถึงหมานึกถึงแมวเดี๋ยนะเออมันน้ารักแต่แต่นขนาดจิต่ะเออต้องระวังมันแกไปอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นมันเป็นได้ทุกอย่างก็ต้องระวังระวังอย่าให้จิตมันไหลไปตามอารมณ์นั่นนั้น มันอันตรายไม่ใช่อันตรายธรรมดานะตอ น, นที่เราฝึกด้นวนี่ก็เพื่อให้เตรียมความพร้อมเสร็จแล้วเนี้ยให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการกำจัดลมหายใจให้มันชัดเจนฝึกแค่นี้เราลมหายใจนีอะไรกากับเข้าไปก็แล้วแต่ให้อยู่กับลมหายใจให้ได้ยืนเดนินนั่งแล้วก็นอนหลับก็หลับเขาพรกับอขอของลมหายใจตื่นขึ้นมาให้รู้ออ ม, มีลมหายใจก็ คนที่จะหลับก็จะนอนดูลงหายใจเสร็จแล้วตั้งจิตเอาไว้เหมือนตั้งไนไรกะว่ารู้ตัวเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อไหร่จะกำหนดอะไรก็ว่ากันไปพุทโธถ้าโมสังโฆเอาง่ายคือพุทโธหมายว่าจะเพิกตัวรู้ตัวจะพุทโธ ท, ท, ทันทีนี่พุทโธก็จะอยู่กับเราใจเราก็จะเป็นพุทโธือจะเป็นผู้รู้เป็นผู้เตื่นผู้เบิกบานจะไม่มไม่โมหาคือหลง ก็ลงการละกิริยาคือเขาเรียกหลงตายนั่นะคืออานิสงส์อานิสงส์มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับฝึกนังางปฏิบัติในภาษาการนี้ก็ถือว่าเราได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วอย่าไปหาหลังกลับเหมือนเดิมนะเรามาไกลแล้วแต่ลราคนอย่าไปไปย้อนสอนกับเหมือนเดิมเราไปไกลก็สัตว์เราไมต้องาพูดถึงละ ก็เป็นคนอยู่ก็พยายามจะทำใหดีก็พยายามใหเป็นมนุษย์ให้ได้คือสิ้นห้าทั้งมพยายามเร า, เรานึกถึงเออวันนี้เราสิ้นข้อหนึ่งๆๆสองสาี่เนี่ยเออเราสมบูรณ์เออจิตมันจะรู้เออเราเป็นสถานะตอนนี้คือมนุษย์นะไม่ใช่คนนะสูงไปกันสถานะคือพระคือจิตไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับสัมขาสไม่เกี่ยวกับเพศสภาพท่านบอกจิตของเราเป็นพระกันเด้โดยเพศสภาพ ไม่เกี่ยวกับร่างกายสังขารรูปร่างรูป่างร่างร่างฐานะี่ไม่เกี่ยวจิตเราเป็นพระได้ส่วนอริยะก็ย่เป็นได้ทุ่นเป็นที่จิตมันนั้นเป็นที่กายอืาให้เราสร้างกําลังใจเนี่ยมันจะมีกําลังใจเพราะครูบาอาจารย์หรือวุฒอื่นเขามีเหมือนเราอ่ะม่นกายบาจาใจนี่เหมือนกันดิ่งน้นําไฟลมเหมือนกันแต่วิธีคิดไม่เหมือนกันทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดพ่อเมื่อเช้าหรือพพูดถึง คือปรับแล้วก็เปลี่ยนนะสองคำกันอะไรที่มันปรับได้ในชีวิตเป็นจำวันปรับตัวถึงเม้เรายังเปลี่ยนไม่ได้ขอให้ปรับขอให้ปรับก่อนแต่ถ้าเปลี่ยนไมได้คือเปลี่ยนเลยเนจะเป็นเรื่องที่ดีมากทุกเรื่องใช้ได้หมดคําว่าปรับแล้วก็เปลี่ยนคือจะใช้ไปสองอย่างไปเลยก็ได้คือปรับปรุงก็คือปรับก็คือปรับปรุงนั่นแหละคือเปลี่ยนนั่นคือ เปลี่ยนไปเลยหน้ามือไปหลังมือเลยอย่างนี้เป็นตอนพนั้นตัวไหนที่เราปรับได้ก็ปรับเถอะตันไหนที่เปลี่ยนไปเลยกบเปลี่ยนไปเถอะแต่ของที่มันไม่ดีเปลี่ยนไปเถอะข อ, ชข อ, อใช้ที่มันไม่ดีจะไปวุ่นวายเลยขอนที่มันไม่ดีก็เรไม่อยาเปลี่ยนอ่ะไม่อยากปรับในคิดไม่ดีโตยคิดถึงคนนั้นคนนี้มันไม่ดีเป็นศัตรูอะไรก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นเราไม่ปรับเลย หลักหลงไม่ยอมเปลี่ยนมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยมันจะเป็นก็เกียรติขวางก็นิวรป้องกันไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจเมื่อมันไม่เจริญมันก็ตรงข้ามมันก็เสื่อมก็มีแค่นี้ถ้าจิตใจราขนาดใดที่จิตใจเราไม่เจริญคือไม่เห็นความเจริญก็แสดงว่าขนาดนั้นความเสื่อมมันยังปรากฏอยู่แต่เราไม่เห็นก็อมองไม่เห็นเสิ่งนี้เราคือจิตจิตมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยสภาวะของจิตคือที่เป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีกลางกลางก็ดีมันเกิดขึ้นหมุนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตัวแปรสําคัญที่สุดคือสติปัญญาสาคัญที่สุดในการปฏิบัติอกอเป็นกำลังใจให้เราทั้งหลายให้มีสติปัญญาสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะบรรลได้ในชาตินี้ขอได้สรงการทําความดีของเราทั้งหมดในปัจจุบันนี้